หนึจหนึ่งหลักของการปฏิบัติคือให้มีสติรู้ทันความยินดียินร้ายวงเล็บเปิดสิห้าพฤศจิกายน25งพ้าห้าสในวงเล็บสองจุดจุดนาทียี่สิบหวงเล็บปิดให้เรามีสติรู้สภาวะทุกอย่างที่ปรากฏในกายในใจนี้ให้เรามีสติรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดความยินดียินร้ายต่อสภาวะนั้นขึ้นมาให้เรารู้ทันนี่หลักของการปฏิบัติง่ายๆนะพระพุทธเจ้าบอกว่า เครื่องหมายคำพูดเปิดภิกษุทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันปิดเครื่องหมายคำพูดถ้ารู้ไม่ทนันกิเลสจะครอบงำเครื่องหมายคำพูดเปิดภิกษุทั้งหลายเมื่อหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันปิดเครื่องหมายคำพูดเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทัน เมื่อใจภาวนาคิดนึกปรุงแต่งเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยเรายินดียินร้ายแล้วให้รู้ทันเช่นเราเกิดความเครียดให้รู้ทันทีว่าเครียดนะพอรู้ทันว่าเครียดแล้วเราก็รู้ทันต่อไปเลยว่าใจไม่ชอบมันใจเรายินร้ายต่อความเครียดอยากให้หายรู้ทันใจที่อยากให้หายเพราะความอยากตัวนี้ดับความยินดียินร้ายนี้ดับนะ จิตจะเป็นกลางขึ้นมาสภาวะที่เป็นอกุศลทั้งหลายจะดับไปเอง